ผู้ชมคะแล้วก็ได้เวลานะคะที่เราจะได้มาถามคำถามต่างๆกับพระอาจารย์คริกติโสโตธิทโพโลที่ท่านจะได้นำเอาผู้ทวจนะมาเป็นการตอบคำถามนั้นๆช่วงเวลานี้เราเรียกว่าเปิดธรรมทถูกปิดด้วยผู้ทวจนะค่ะ ท่านผู้ชมที่ชมรายการสืบเนื่องจากเมื่อวานก็อาจจะยังค้างใจอยู่นะคะแม้ท่านอาจารย์ยังพูดไม่จบเลยว่านัยยะของการเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของพระอริยะบุคคล น, นั้นเป็นอย่างไรพอดีเวลาหมดนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้กับท่านอาจารย์ในช่วงต้นก่อนนะคะท<อ>่านอาจารย์คะเมื่อวานนี้ท่านพูดว่า การที่จะปฏิบัติต้องไล่ลำดับไปถึงจะทำให้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยราบรื่นว่าให้เริ่มจากการพ้นจากบุคคลธรรมดาไปเป็นอริยบุคคลขั้นแรกก่อนคือพระโสดาบันซึ่งขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ารักษาสี 5, ่ห้าแนวหน้าในพร ะ, ร, ะ, ร, ะรัตนต ร, ตรัยพระพุทธธรรมประสงค์ทีนี้ได้กราบเรียนถามท่านว่า มีนยะเพียงเท่านี้หรือท่านก็บอกว่ายังมีอ uh ีกขอทราบเพิ่มเติมนะคะท่านคะก็จะมีเช่นว่าเออเรียกว่าสัทธานุสาลีก็คือผู้ที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกเิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยด้วยคุณสมบัติแค่เนี้ยเขาก็จัดว่าเป็นสัทธานุสาลีผู้เล่นไปตามศรัทธา คือเขาเปลี่ยนความเห็นได้แล้วว่าตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะมีการแปรเปลี่ยนหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ตัวทํา6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาทอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใด บ, บุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทั้ง2 อ, อันนี้ เป็นโสดาปฏิมักท่านคู่นะก็คือก้าวล่วงพ้นปุริชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกัมเดชานเปลววิสัยและไม่ควรที่จะทำการละคือไม่ควรตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลค่ะนัยยะอื่นก็เช่นว่าโสดาบันนั้นจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนะ ก็คือไม่เวียนเลยไปจากรูปเวชนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เห็นกระบวนการทำงานของวิญญาณหรือจิตหรือใจของเราเนี่ยว่าทำงานยังไง ร, รับรู้อยู่ในสีธรรมธาตุนี้นี่ก็จัดเป็นโสดาบันผู้ที่อีกนัยยะหนึ่งผู้ที่สามารถที่จะวางความรู้สึกอันเป็นปฏิกูลไม่ปฏิกูลได้ ให้อยู่อุเบกขาได้มองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลมองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลและมองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขาได้ค่ะก็เท่ากับว่าวมีหลายนัยยะแต่อย่างไรก็ตามที่ท่า น, านพูดว่าไม่ว่าจะเป็นสัทธานุสารีธรรมานุสารีเนี่ย น, นะคะหรือรวมมาถึงผู้ที่วางความรู้สึกว่าปฏิกูลไม่ปฏิกูลอุเบกขาได้อะไรเนี่ยค่ะยังต้องบวกด้วยศีลห้าไหคะท่านคะ ใช่พวกนี้คือสมบูรณ์ในตัวของมันอ๋อค่ะสมบูรณ์ในตัวมันถ้ามีตรงนี้ก็คือตรงนี้นะ่ยพยากรณตนเองได้เลย oh. นะอ๋อเพราะฉะนั้นแต่ละในยะนี่คือสมบูรณ์ในตัวมันเองค่ะ <Okay. S 2> นะสินห้าก็เรื่องของศินห้าตัวนี้ที่ไม่เกี่ยวกับสินห้าก็มีเช่นสินสามข้อแรกของสินห้าและไปเป็นสัมมาวาจาสีข้อนะซึ่งไม่มีข้อสุลา อ๋อค่ะสีนสามข้อแรกบวกสัมมาวจจะบวกสัมมาวจจะค่ะบวกกับความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยอันนี้ก็โสดาบันอ๋อมีหลายหลายสูตรหลายสูตรหลายสีเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเออโยมจะกินเหล้าโยมก็ห้ามพูดคาอยากเพิร์เจอส่อเสียดห้ามพูดโกหกก็ไหวไม่ล่ะขนาดไม่กินเหล้ายังเพิร์เจออย่างส่อเสียดเลยใช่ไหมหรือว่ายังมีคำหยากอย่างเนี้ย เพราะนั้นก็ไม่ง่ายไม่ง่ายต้องอมีสติสัมปชัญญะคุมกันคนละส่วนคุม ก, กันคนละส่วนถ้าไม่ได้คุมนี้คุมตรงนี้ได้ก็โอเ ค, คใช่ไหมเนี่ยพพุทธเจ้าจะวาง<อ>มากว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปศึกษาสิคะว่าแบบไหนเหมาะกับเราที่จะก้าวพ้นจากนุตธรรมเราใ ช, าใช่ซึ่งถ้าโยมบอกว่าโอ้สิน5้าเนี่ยรู้สึกว่ามันยากงั้นเอาไปรู้ปฏิจจสุบัตยานวัตถุสีสี่ยนวัถุเ7 เ<พ>นี่ยเครื่องวัดโสดาบันโนยมคล่องเข้าในหลักปฏิจจาแล้วก็รู้ว่ า, าในสายปฏิจจาเนี่ยถ้าเห็นโดยนัยยะอริศาศาสสีหรืออีกนัยยะนึงเห็นแค่เกิดกระดับแล้วเอาไปใช้ในอดีตปัจจุบันอนาคตา ก, ก็ปิดอาวัตถุสิบสีใช่หมายถึงว่าอย่างข้อนี้ก็คือสมมุติว่าเราเข้าใจหลักธรรมนี่ละพุทธเจ้าบอกว่าเพราะมีอวิชชาจึงโน่นนี่นี่นั่นเพราะมีเกิดจึงมีดับ นะคะเราก็สามารถที่จะเป็นโสดาบันได้แต่จะต้องเอาไปใช้ได้อย่างนั้นเองอ่าฮะอ่าฮะใช่เอาไปใช้งไงใช่ยังไงนะคะประธานโทษก็ค่ ะ, คะอะ่ก็เวลามีมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยแก้ทุกข์ตามที่เป็นจริงหรือเปล่าเนาะค่ะนะไปแก้ด้วยวิธีอื่นหรือเปล่าซึ่งอะไรบุคคลโสดาบันรู้หนทางแก้ทุกข์ อย่างถูกต้องไม่ใช่ไปแก้ทุกข์ผิดผิดไม่ใช่ไปกินเหล้าเมายาดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปอะไรต่างๆอย่างนี้อันนี้คือแก้ทุกข์ยังไม่ถูกต้องใช่ไหมซึ่งผู้เจ้าบอกนั่นคือการแก้ทุกข์ของปุถุชนเขาก็จะเพลินต่อราคานุสัยอนุสัยความเคยชินเคยชินในสุคติเวทนาแบบอื่นต่อไป เ, เมื่อกลับมาตรงนี้เขาก็ยังทุกข์เหมือนเดิม เพราะนั้นอริยบุคคลเนี่ยจะรู้วิธีแก้ทุกตามที่เป็นจริง mm hmm. เขาจะทําสมาธิ mm hmm. เขาจะเจริญปัญญา mm hmm. เห็นความไม่เที่ยง <Okay. S 1> นะเห็นการเกิดการดับ mm hmm. เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทุกทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ mm hmm. ใช้ปัญญาในการแก้ไขนะใช้สติสมาธิปัญญาสู้เรียกว่าเขารู้อุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกตามที่เป็นจริง <Okay. S 1> นะเรียกว่าหรือเรียกว่ารู้จักนิสสลานะ คูบายปลดเปื้อนทุกทีนี้ในเมื่อถ้าอาจารย์บอกมาตั้งหลายวิธีที่ฉันคิดว่าเอาเท่าที่ท่านบอกมาเนี่ยสหบอกมาถึง7ในยะของการเป็นพโสดาบัลหลายท่านอาจจะบอกว่าแค่นี้ก็อยากลองศึกษาดูเหมือนกันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดหรือไม่มีโอกาสที่ไปค้ น, คนเพิ่มเติมใช่ทีนี้ อ, อย่างกับที่ท่านพูดถึงการเป็นศรัทธานุสารีว่าเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง ไม่ต้องบวกศีลห้าสมบูรณ์ด้วยตัวเองเช<อ>่นกันเหมือนกับเวลาที่คือดิฉันอยากให้ท่านท่านชี้ให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าพิจารณาว่าไม่เทียงอย่างไรคือสมมุติว่าตานะคะดิฉันจะพิจารณาว่าไงคะว่าตาเดี๋ยวมันก็เสื่อมใช่ใช่ก็คือเห็นความเสื่อมของต า, <ข>าว่าสายตาส้นสายตายาวนะตาบอดนะ อ, อย่างเนี้ย หูตาฟ้าฟางไปนะเห็นไม่ชัดอย่างเดิมน ะ, ะที่สุดก็แตกสลายตายนะลูกตาก็คืนทา่าตามธรรมชาติไปไม่มีความเป็นลูกตาแล้วอย่างนี้เพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในแต่ละเรื่องะะเราต้องพิจารณาทุกอายตนะเลยไหมคะว่าหลังจากพิรนาตายแล้วเอ้ยตายแล้วก็ต้องมาต่อด้วยหูก็มาต่อด้วยจมูกลิ้นกายและใจนะคะแต่ว่า เรียกนาอย่างนี้เลยว่ามันมีความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะใช่เปลี่ยนความเห็นไงเปลี่ยนความเห็นใช้คําว่าเปลี่ยนความเห็นสัทธาอุสาลีเนี่ยนะคะเป็นการเปลี่ยนความเห็นอย่างนี้ถ้าสมมติคนไม่ใช่ว่าปล่อยวางได้นะอย่าเข้าใจผิดตัวนี้นะมันปล่อยวางแค่ความเห็นผิดตรงนี้เนี่ยคนเข้าใจผิดกันเยอะมากปล่อยวางได้กับการปล่อยวางแค่ความเห็นผิดมีความต่างกันอย่างไรล่ะก็แค่ปรับความเห็นไง ยังปล่อยวางไม่ได้มันเป็นอย่างไรครับสมมุติว่าปล่อยวางนะคะปล่อยวางคําว่าปล่อยวางหูตาจมูกลิ้นกายใจอหมายความอย่างไรคําว่าเปลี่ยนความเห็นในเรื่องความไม่เที่ยงออืของหูตาจมูกลิ้นกายใจต่านยังไงครับก็ถ้าเราถ้าเรายังเชื่อว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของเราตัวเราของเราแน่นอนมั่นคงนะฉันสวยตลอดฉันดีตลอดนะอ่า จีปาฐานสารพัดนะ่ะนะยังเปลี่ยนความเห็นไม่ได้เลยน ะ, <ช>ะเวลาพูดเรื่องแก่อุ๊ยกลัวกลัวนะ อ, อย่าพูดเรื่องแกไม่ได้น ะ, ะเดี๋ยวเป็นลางเดี๋ยวอย่างง้นอย่างนี้อย่าพูดเรื่องตายน ะ, ะ, นะไม่ยอมรับในความตายน ะ, ะไม่รู้จักว่าร่างกายเนี่ยมันมีความตายเป็นธรรมดาคแค่เรายอมรับความจริงว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มีความเสื่อมมีความสิ้นไปดับไปแต่ยังไม่ใช่ว่าปล่อยวางได้นี ใช่ไหมเสื่อมมากกลัวไหมกลัวแต่ก็รีบมาพี่าเออมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดานะพยายามใช้ปัญญาพี่าสู้อย่างนี้นะนี่มันแค่เปลี่ยนความเห็นแต่มันยังปล่อยวางไม่ได้นก็จะว่าไปอย่างนี้คนที่มีความแก่ปรากฏอย่างเห็นได้ชัดและมีความทุกข์อย่านี้ก็สบายเลยใช่ไมมีเครื่องมือในการที่จะเป็นพระโสดาบันมีความแก่ปรากฏ เหมืน<ร>อมนอกับว่าเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเออตาเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแปลกแล้วมันไม่ปิ๊งปังแบบเก่าสมมุติ น, นะคะออออแล้วก็มันมองอะไรไม่ค่อยชัดแทนที่เราจะมีความรู้สึกก็เบื่อจังเลยทาไมมันเป็นแบบนี้ออเราก็มาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงซะใช่ใชก็ถูกต้องเนเท่ากับว่าหน้าที่จะดีใจออที่ธรรมชาติเปิดโอกาสใช่ไหมท่านชมคะเดี๋ยวังคิดว่าคงจะมีหลายท่านเลยเนี่ยที่กําลังรู้สึกเบื่อเพราะว่า ไม่ว่จะเป็นตาหูจมูกเล่นกายใจเมื่อถึงเวลาที่เขาไม่สมมูรณ์นะครัมีความเปลี่ยนแปลงมันจะมีความทุกข์ก็ก็รีบที่จะพาตัวเองใช้เครื่องมือนี้เป็นสัตธานุสาเรีใช่ค่ะทีนี้ส่วนที่ท่านบอกว่าวิญญาณไม่มีอะไรออกจากสี่ธรรมชาติไม่ไม่ไม่เวียนเลยไปจากไม่เวียนเลยไปจากสี<ม>กส่ธรรมชาติคือ รูปเวทนาสัญญาสังขารใช่วิญญาณในที่นี้จะรับรู้แต่เรื่องพวกนี้ใช่ใชซึ่งทุกคนตรวจได้ด้วยตนเองอยู่แล้วอ๋อค่ะเช่นนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอกันเนี่ยจิตลมก็คือรูปใช่ไหมละ่ะค่ะรูปเนี่ยมีสี่ธาตุคือดินน้ําไฟลมค่ะถ้าจิตมารู้ลมก็คือรู้รูปเหมือนกันค่ะซึ่งพระุทธเจ้าก็ตัดว่าลมหายใจเข้าและออกเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายก็แสดงว่าเรารู้กาย จากนั้นเนี่ยคนสามารถรู้ลงไปได้ตลอดไหมทุกวินาทีไหมก็ไม่ใช่ไหมขณะที่ไม่รู้เนี่ยจิตไปรู้อะไระะเช่นไปรู้ความคิดอดีตไปรู้ความคิดอนาคตสังขารไปรู้สุขทุกเนี่ยมันจะวนรู้อยู่แค่นี้มันจะไม่วนรู้เรื่องอื่นยิ่งจะนั่งสมาธิไปกี่1ิปีก็ตามจิตจะวนอยู่แค่นี้ค่ะเขาใจคะงั้นทีนี้อย่างดิฉันเคยเห็นมีเพื่อนปฏิบัติธรรมบางคนก็มาถามบอกว่า น้องขณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะต้องคอยสังเกตไหมว่าเราเนี่ยรู้อะไรคือเหมือนกับว่าเวลาที่เป็นความเพลินเข้ามาที่ท่านบอกเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยนะคะในขณะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าไม่ต้องหรอกก็ละไปเลยกลับมาอยู่กับลมหายใจเลย mm hmm. ซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีที่ถูกไม่ใช่หรอคะก็ได้ไงค่ะแต่ถ้าเราไม่อย่างนี้ mm hmm. mm hmm. อันนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมในส่วนของการ ใช้วิธีละความเพลินเลยคือคอยสังเกตตัวเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะคอยสังเกตตัวเองว่าเอเดี๋ยวมันก็เป็นรู้เรื่องอดีตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรายัางต้องละความเพลินอยู่เพราะถ้ายมไม่ตั้งจิตละความเพลินหรือไม่ตั้งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวความเป็นตัวตนของเรามันจะเคลื่อนไปพร้อมกันยมจะไม่เห็นเข้าใจไหม หลักการเดิมเนี่ยอันนี้ทิ้งไม่ได้แต่มันจะเห็นเองถ้าเราเนี่ยตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันตรงนี้เราไม่ได้อยากให้มันเคลื่อนแต่มันเคลื่อนไปเมื่อมันเคลื่อนไปเราถึงสังเกตเห็นว่าอ๋อมันเคลื่อนไปไหนใช่ไหมออย่างนี้ลังหักแล้วเราก็กลับมาใช่ไหมเราไม่ปุ๊บมันแอบเคลื่อนไปอ๋อมันเคลื่อนไปไหนอันเดิมหดีกว่าอูไม่ใช่อันใหม่ใช่ไหมวันนั้นคนจะสังเกตได้ทั้งว่าเคลื่อนไปแล้วเนี่ยเคลื่อนไปในอะไรค่ะนะ หรือไม่ต้องสนใจก็ได้สักแต่ว่าเห็นว่าถ้าเคลื่อนปุ๊บฉันเอากลับมาทันทีถ้าเคลื่อนปุ๊บฉันเอากลับมาทันทีใช่ไหมแต่ต้องอยู่ตรงนี้เข้าใจค่ะท่านอาจารย์คะคือดิฉันจะไปทีละเรื่องไงคะคือเหมือนกับว่านี่เป็นอีกนัยยะหนึ่งของการเป็นโสดาบันก็เท่ากับว่าตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นว่าท่านอาจารย์กำลังบอกว่าเราต้องปฏิบัติไปด้วยนั่นแหละละความเพลินไปด้วยแต่ขณะนั้นน่ะถ้าหากว่าจิตเราคือวิญญาณเนี่ยไปรับรู้อะไรก็ให้เรารู้ว่าเรา เวียนอยู่อย่างเงี้ยให้สังเกตว่ามันเวียนอยู่อสีที่นี้ใช่ใถ้าใครถ้าใครสังเกตเห็นว่ามันเวียนอยู่แค่สีที่เนี้ยั่นแหลนั่นแหละนะนะแสดงว่าเขาเขามีมีความเป็นโสดาบันคือเขาเห็นระบบธรรมชาติตัวนี้ทีนี้พอพูดอย่างนี้นะคะถ้าอาจารย์คือเหมือนว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตลอดเวลาก็มีใช่ไหมคะแต่อยากทราบว่าถ้าเราอยากได้ความเป็นโสดาบันอการที่ เราจะรู้ว่าวิญญาณของเราไม่เวียนหนีไปจากสี่ธรรมชาตินี้อจะต้องอยู่ตลอดเวลาไหมคะอยู่ตลอดเวลาอย่างนีคือหมายถึงว่าเนี่ยการที่เราจะต้องรู้ว่ามีความรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนจากสี่ธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของโสลรบัลลีอย่างหนึ่งนี่นะคะต้องอยู่ตลอดเวลาไหมคะคือมันต้องรู้อยู่ตลอดเวลาหรือคนเรารู้ทีเดียวเข้าใจทีเดียวมันก็เข้าใจแล้วมันจะไปรู้ตลอดยังไงล่ะโยมใช่ไหมโยมเข้าใจอะไรทีเดียวเนี่ย มันก็เข้าใจได้แล้วเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจบละฉันเข้าใจละค่ะแล้วถามว่าหนึ่งต้องฉันต้องเข้าใจหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองตลอดเวลาไหมอันตรมาจะตอบยังไงใช่ไหมไม่ดิฉันดิฉันสงสัยจริงๆนะครัอาจารย์ดิฉัน่าเขก็จริงนี้อันตมายกตัวอย่างให้เมื่อเหมือนเข้าใจมันรู้เที่ยมันก็คือรู้มันก็จบแล้วอ่ะใช่ไหมมันก็เลยตอบไม่ถูกเพรามันจะรู้ตลอดค่ะตอบไม่ถูกแต่ถ้าอาจารย์ก็ตอบมาให้ดิฉันรู้ในสิ่งที่ถูกไปแล้วล่ะค่ะทีนี้ มาถึงข้อต่อไปครับท่านชมคงจะทราบแล้วนะคะเมื่อกี้อาจจะเพ้อๆบอกเอ๊ะทำไมคุณสันตินีนี่เข้าใจยากกันเลยก็พยายามจะให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโยมเล็กไม่สงสัยบ้างหรือคะสงสัยอยู่หลายประเด็นนะแต่ว่ายังหาโอกาสหรือว่าเมื่อเราทราบว่าวิญญาณเราเคลื่อนไปในสิ่งธรรมทานนี้แล้วเรากลับมาที่กายอย่างเดียวเนี่ยออืพอแล้วใช่ไหมค่ะท่านพอแล้วพอแล้วไม่ต้องถามว่า มันเป็นยังไงต่อไปออการที่เราหน้านที่เราคือเอากลับมากายแต่ปัญญาเราจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆว่ขาขณะที่เรากลับมาต้องมีอันหนึ่งดับอันนึงเกิดอันนึงดับอันหนึงนน่งเกิดนี่แหละมุมมองเนี่ยทางด้านเกิดดับใช่ค่ะใช่อีกคำถามหนึ่งค่ะที่ฟังไว้ปีแล้วเนี่ยติดใจเนี่ยสงสัยว่าการเปลี่ยนความเห็นเนี่ยการการเปลี่ยนความเห็นว่า รูปเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเนี่ย uh huh. จริงๆแล้วเราก็เห็นอย่างนั้นแหละ uh huh. แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ uh huh. เพราะ uh huh. เราก็เห็นอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่านี่ไม่เที่ยง uh huh. แต่เราก็ยังถอนถอนถอนุ ป, ปทานเนี่ยไม่ได้ค่ uh huh. uh huh. ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าแค่แค่เปลี่ยนความเห็นนเฉยๆเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่แรงพอที่จะทําให้เราถอนความยึดมั่นถือมั่นหรือถอนอุปทานมันจะ มันจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยค่อยๆที่จะเดินจะเดินไปสู่ความพน้นทุกข์นะเพราะนั้นอันดับแรกเนี่ยโสดาบันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนความเห็นให้ได้สักก่ค<ะ>่ะจะต้องจะต้องเข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงต้องเชื่อมั่นคงตรงนี้ค่ะมันคล้ายกับว่าเรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทราบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยทางแบบทฤษฎีแต่ว่า เราก็รู้เนี่ยทฤษฎีว่าอ๋อนี่อันนี้ไม่เที่ยงนี่อันนี้ไม่เที่ยงเนี่ยแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางเวลาที่เราเกิดผัสสะได้ทั้งที่เรารู้ว่านี่มันไม่เที่ยงอ่ะแต่เราก็ปล่อยไม่ได้มันมันเหมือนแค่เรารู้เนี่ยทฤษฎีแต่เราปฏิบัติไม่ได้หรือแบบ่าคะใช่เพราะนั้นโสาบันิก็เลยยังปล่อยอะไรไม่ได้มากอแค่รู้นี่ก็พอแล้วแค่รู้แค่ปรับความเห็นถูกต้อง แต่บางคนเนี่ยรับไม่ได้เลยฟังไม่ได้เลยบอกว่าตาฉันจะเสื่อมหูฉันจะหนวกนะตาฉันจะบอดเนี่ยโอ้โหล่งห้ฟูมไฟเกิดความทุกข์ใช่ไหมนี่ไงอย่างเนี้ยเนี่ยความเห็นยังไม่ถูกต้องเลยยังไม่ยอมรับความจริงเวลาพูดเรื่องความตายอุ้ยอย่าพูดอย่าพูดเป็นลางกลัวไปหมดเลยอย่างเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรา เราปรับความเห็นเราเปลี่ยนความเห็นแล้ว<ช>แต่ว่าเรายังทําไม่ได้คือเ<ช>มื่อแบบผัสสะกระทบเรายัง<ช><ช>ไม่สามารถที่จะวางได้นะ่ะอันนั้น<ช><ช>ยังเป็นอีกขั้นหนึ่งใช่เป็นอีกขั้นหนึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งนั้นแค่เปลี่ยนความเห็นได้เนี่ยเอาละ่ะค่อยๆทําต่อไปอค่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆซึ่งบางคนอาจจะหยุดแค่แช่แค่เปลี่ยนความเห็นอย่างเงี้ยไปยันตายก็ได้ไปยันตายก็ได้ใช่ใช่ก็อยู่ที่อินทรีย์ด้านอื่นะความเพียรพอไหมอะไรพอไหมอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วตัวนี้ก็ตัวยากแล้วนะ น, นี่ใค่ใจมายอมรับฟังธรรมะแล้วก็แหมเพราะว่ายัางยังตัวเราเองเนี่ยสมัยเด็กๆ เ, เนี่ย<ะ>พูดเรื่องตายเนี่ยเสียวนะอืเสียวเอ้ยมันเป็นหลังเปล่าะว ะ, ะเดี๋ยวเย็นนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันจะนึกอย่างเงี้ยมันจะเสียวไง<ะ>ใช่ไหมแต่ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเรามั่นคงเชื่อมั่นในตรงนี้เชื่อมั่นเรื่องกรรมเราก็จะไม่เสียว ใครคเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรก็ธรรมดาแค่นี้ความทุกข์หมดไปบานแล้วนนเนี่ยใช่ไหมซึ่งพออันนี้พูดเรื่องตายปุ๊บอีกคนโอ้นี่เนเดี๋ยวต้องไปสะดอกคอแล้วนะอ้อาวแล้วไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็เริ่มทําไปแล้วยังไม่มีส ม, มาธิฏฐิยังไม่มีสมาธิฏิิใช่ไหมซึ่งในในยักษ์ของพระโสดาบันที่ได้กลับเป็นผ่านท่าอาจารย์ผ่านไปในส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เราสังเกต สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง uh huh. ใช่ไหมค uh huh. uh huh. ทีนี้มีอีกนัยยะหนึ่งอะคะ่ะคือที่ท่านบอกว่าผู้ที่มีความสามารถในการวางความรู้สึกว่าปฏิกรูน uh huh. หรือไม่ปฏิกูล uh huh. นะคะ uh huh. แล้วก็ให้เป็นอุเบกขาได้ uh huh. อยากทราบว่าพิจารณาในตัวได้อย่างเดียวหรือว่าปฏิกรูนนี่เราเริ่มมองเห็นที่คนอื่นก็ได้นะคะทั้งสองอย่างเลยอ๋อคะ่ะเพราะว่าเวลา ผู้เจ้าตัดเรื่องของสัมปัชญะสิฐานเนี่ยนก็คือมีทั้งการมองอสุภะภายนอกในจำนวนมากแล้วในจำนวนมากนั้นทั้งหมดเนี่ยผู้เจ้าจะปิดท้ายด้วยการให้น้อมเข้ามาในตัวว่าตัวเราเองก็เป็นฉชนั้นเหมือนกัน อ, อย่างเงี้ยที่ฉันกำลังคิดว่าคนบางคนี่มีความรู้สึกพิจารณาตัวเองแล้วมันหนักใจหายท่จนานณปฏิกรลในตัวเราเนี่ยมันรู้สึก รับไม่ได้มันไม่คอยอยากพี่นางไงแล้วก็เลยพี่นาจะเนี่ยนางงามเก่าเลยนะคะอโอ้โหชัดเจนมากใช่ก็เหมือนจะมีมีป้ามีป้าแก่ๆอยู่คนหนึ่งที่บินธบาทเนี่ยค่ะแปดสิบกว่าละจะเก้าสิบบินทบาทมาเกือบสิบปีค่ะเพิ่งรู้ว่าป้าแกเป็นนางงามเก่าโอ้โหอะ ะค่ะผมงอขาวแกมากแล้วนะโอ้ค่ะเขาบอกไปก่อนนี่แกพาแกนั่งเรือไปต่างประเทศเลยนะอไปประกวดนางงามเนี่ยนะท่านคะการพิจารณาเรื่องปฏิปูนก็ตามเนี่ยมันเป็นการเป็นการอบรมจิตหรือเปล่าคะหรือเป็นการบอกจิตว่ามองสิ่งเหล่านี้นะว่ามันไม่ใช่สวยนะมองจริงๆสิ หรือว่ามองสิ่งที่มันสวยตรงกันข้ามค่ะในระยะตรงข้ามมันเป็นการบอกจิตอบรมจิตอบรม<อ>น้อมให้มากคิดให้มากนึกให้มากพระุทธเจ้าบอกจิตคิดนึกเรื่องใดมากตรึกตึกเรื่องใดมากจิตจะน้อมไปตามอาการา น, นั้นคร่ะ<ช>คือตอนแรกที่ปรับเรียนถามท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์บอกว่าจะมองปฏิกูลภายนอกตัวก็ได้เด็นก็ๆๆเลยมีความรู้สึกเออเราก็มีทางเลือกใช่แต่ว่า พอท่านบอกให้น้อมกลับมาที่เราด้วยเนี่ยมันเลือกไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกไอ้ตอนที่ให้พี่นาตัวเองท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะเราก็มานั่งนึกอย่าว่าแต่พี่นาว่าตัวเราเองเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไม่ค่อยน่าดูนะคะเอาแค่พี่นาว่าสมมติเราเคี้ยวอาหารเนี่ยแล้วเราคลายออกมาเนี่ยใช่บางทีเรายังไม่อยากดูของเราเลยนะคะใช่ใช่ใช่แต่บางคนบอกอุย้ยของเราก็กินได้ ลองเอาไปให้คนอื่นเขากินจะเริ่มรู้หรือว่าคนอื่นเขาคลายมาแล้วมาให้เรากินเห็นชัดเลยเนี่ยมัน<า>ไม่อยากทานแหละ<า>นะนั้นจะว่าไปมันเป็นเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือแต่ในท่านก็เลยมีความรู้สึกบางทีมันก็ไม่หมูาหาจะว่าไปแล้วมันไม่ง่ายเลยนะคะการที่เราจะก้าวจากการเป็นบุคคลธรรมดาไปเป็นอรารยบุคคลขั้นตช่นี่ไง พอพิจารณาไปลึกๆเนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันะจะมองว่าง่ายก็ง่ายจะมองว่ายากก็ยากคพราะนั้นกายยักข้าาสติเนียมีหลายมุมด้วยมีหลายมุมมุมในการพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ซึ่งโยมอาจจะมองว่าอ่ะอย่างนี้มันก็คิดนี่พุทธเจ้าก็สอนให้คิดใช่ถ้ายังต้องคิดให้คิดมุมนี้แต่ถ้าใช้มรรควิธีการละ น, นันทิหยุดคิดหมดเลยอ่า ก็ดูกําลังของตัวเองว่าหยุดคิดไหวไหมหยุดไม่ไหวพิณากายไปก่อนหยุดไหวหยุดเลย อ, อย่างนี้นั้นยัง <c oughs> มีพิสุกุ่มหนึ่งเขานั่งสนทนาธรรมกันคก็เป็นเวลาหลังฉันพระกลุ่มนี้ก็นั่งคุยกันสักพักพระเจ้าก็เดินมาแล้วก็ถามว่าพวกเธอคุยอะไรกันค้างไว้ก็เหมือนกันผู้ใหญ่มาก็หยุดวงสนทนาเงียบปุ๊บพระเจ้าก็ นั่งเสร็จเขาก็ปูอาสนะให้ผู้เจ้านะพผู้เจ้าก็เลยถามว่าเมื่อกี้คุยอะไรกันค้างกันก็เลยบอกว่าพระเขาเลยบอกว่าก็คุยค้างกันว่าเป็นไปได้ยังไงผู้เจ้าบอกเนี่ยแค่กายยัตาสติเนี่ยมีผลมากนิสสงมากจะทําให้หลุดพ้นก็นั่งถกกันเรื่องนี้ใช่ไหมจริงหรือเปล่าอ่าจริงหรือเปล่าเนาะอะไรมันจะแค่นั้นมันจะได้จริงหรือเนี่ยผู้เจ้าก็เลยอ๋อคุยกันเรื่องนี้อ่ะ ก็เลยบอกกนะันเนี่ยอั น, นิี้สงของอาณานะกายะคตาสตินะถ้าทําอย่างนี้นะนี่ๆจะเป็นอย่างนี้ก็ไล่มาตั้งแต่การรู้ลมหายใจนะนี่ก็เป็นกายะคตาสติการรู้การเคลื่อนไหวลีบบทการพิรณ า, าผมขนเล็กฟันหนังเนี่ยนะพิาณาร่างกายด้วยการคิดให้ควรในตรงเนี้ยการเข้าชาตหนึ่งสองสนี่ก็ยังเป็นกายะคตาสติ อ, อย่างเนี้ย ก็อธิบายกายคละขตตสิหลายแง่มุมมากนะแล้วก็บอกอันนี้ทั้งหมดนียใครจเจริญมากทํามากเนี่ยย่อมเป็นไปนเพื่อบิมุดหลุดพ้นมากกว น, นิพพานออเราก็ได้ได้เห็นบรรยากาศเก่าๆนะเวลาดูตรงนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับทุกคนเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความไม่ตายโดยมีพูะเจ้าเนี่ยเป็นคนที่เข้าได้แล้วแล้วก็คอยบอกสอนคอยชี้แนะ กลุ่มต่างๆนะกลุ่มนี้ก็นั่งทกกันเรื่องนี้เราน่าจะสร้างกลุ่มต่างๆเหล่านี้บ้างในบ้านเราวัดเราอย่างนี้ใช่ฮะใช่ใค่ะแล้วก็พูดถึงวันนี้เนี่ยดีในแง่ที่ว่าได้เห็นแง่เห็นมุมในการที่จะปฏิบัตินะคะแล้วก็รู้สึกว่ากระจ่างมากยิ่งขึ้นทีนี้พอมาถึงข้อที่ท่านบอกว่าศีลดิฉันทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือ การที่จะเป็นพระโสดาบันอีกในที่ว่ารักษาศีลแค่สามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่แบบพฤติภิดในการในกาลแล้วก็ตัดสองข้อหลังไปเลยที่ว่าทํายากนักหนาพูดปลดกับไม่ให้ดื่มเหล้าคือคือคือพูดพูดปดไม่ไม่ได้เชิงตัดแต่มันไปอยู่ในสัมมาวาจารวยเพิ่มอ่าไปเพิ่มคือพูดปลดเนี่ยจะอยู่ในแค่ศีลห้าแต่ก็เป็นหนึ่งในสัมมาวาจา์ ก็เลยเพื่อเพื่อให้จําง่ายซึ่งพระเจ้าก็จะแบ่งกลุ่มอย่างนี้มีอยู่คนหนึ่งถามเหมือนกันทําไมจะต้องจัดกลุ่มอย่างนี้สินสี่ไม่ได้เราก็บอกก็พระเจ้าจัดอย่างนี้นะซึ่งนั้นก็คือสัมมากัมมันตะมันก็สอดคล้องกับมรรคแอยู่แล้วก็คือศินท่าสามข้อแรกใช่ไหมแล้วตัวสัมมาวาจามันก็อยู่ในมรรคแอยู่แล้วคือสัมมาวาจาเพราะนั้นกลุ่มก้อนธรรมะของพระเจ้าพระเจ้าจัดอยู่แล้วไงเราไม่ต้องไปบอกว่า พอเรารู้ทั้งหมดมาเลงทำไมไม่เป็นสินสี่ข้อแรกอย่างงี้ยก็บอกว่าไม่ต้องไปเถียงพระพุทธองค์เวลานะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะพอท่านบอกว่ามาบวกสัมมาวาจาโดยอนุญาตจะดื่มเล่าก็ดื่มได้แต่ไม่ให้พูดปลดไม่ให้พูดเพ้อเจ้อไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดทำให้คนเ้าแตกกันเนี่ย คิดว่าเผลอๆไปรักษาหข้อเลยน่าจะง่ายกว่าอาจจะง่ายกว่าใช่คุณผู้ชมลองคิดดูท่าอาจารย์คะที่ฉันลองทำนะทุกวันนี้ลองทํำเพราะว่ากําลังอยากจะเชิญชวนคนให้มาใช้สัมมาวิชชากพรเห็นว่าโทษของการที่คนพูดส่อเสียดได้ยุโยงให้แตกกันเนี่ยในส่วนตัวเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งการทําให้สังคมแตกแยกแต่พอไปอยู่สังคมจริงกระทั่งคะมันใช่ยากจริงเลยคะที่จะครอบทุกข้อนะฮะ ต้องหรือว่ามันเท่าจะรักษาสีนี่มันอยู่กับใครไม่ได้คะท่านคะเออมันเป็นเพราะกำลังของเราไม่เข้มแข็งตั้งหายท่านคะถ้าเรามีกำลังเข้มแข็งเนียได้นะดังั้นตอนที่เรากำลังยังไม่เข้มแข็งเนี้ยเราก็จะรู้สึกอย่างนี้แหละรู้สึกว่ายากนะ่ะก็เหมือนกับอาตมาเอ่อก่อนบวชอยากจะเลิกเล่าเนี่ยก็ทำมา 6-7 ปีกว่าจะเลิกได้ไม่เข้มแข็งเจอคนนั้นชวน เ, เอาก็เอา นะรุ่นน้องชวนอ่ะพออ่ะรุ่นน้องห้ามได้อะเพื่อนชวนอ่ะเกรงใจเพื่อนอ่ะพอไม่ต้องเกรงใจเพื่อนแล้วเข้มแข็งขึ้นมาระดับนี้อ่ะพี่ชวนรุ่นพี่ชวนอ่ะเกรงใจอีกนมาอีกเจ้านายชวนเนี่ยมันถ้าเรายังอยู่ในสังคมกว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมาทีนิดทีนิดเนี่ยก็เลยดูละมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของเราคเนี่ยเข้มแข็งของท่านนี่หมายถึง เข้มแข็งอย่างไรคะอะไรเข้มแข็งก็คือความที่ที่เฉยได้ทนได้ต่อต่อสิ่งที่ผิดอะ่ะคือหมาย<ช>ถึงว่าเผชิญหน้าเผชิญหน้าใช่ต่อสิ่งที่ผิดแล้วเราสู้ได้เรารอดทนได้โดยที่เราก็ไม่หวั่นไหวไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะไม่เจริญมั้งทำงานเนี่ย น, นะก็ไม่สงสัย เดี๋ยวลูกน้องไม่รักเดี๋ยวเพื่อนน้อยก็จะไม่สงสัยเราก็จะมั่นคงในรูปแบบของเราและกลับกลายเป็นว่ามันจเจริญเองมันกลายเป็นดีเองท่านอาจารย์คะบางาคนอาจจะบอกว่าคิอจินตนาการไปว่าลองท่านอาจารย์นี่มีความรู้สึกศรัทธาในพระธรรมพยายามฝึกปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ดูประวัติท่านตั้งแต่ยังเป็นเด็กขอทานนะคะท่านหนีไปเลยหรือเปล่า <น>หลีกเล้นไปเลยหรือเปล่าก็ทําได้สิก็หนีไปพวกเขายังหนีไม่ได้เน่นะฮะเข้มแข็งได้โดยหนีไม่ได้นะครโดยโดยที่ยังไม่ต้องหนีก็ได้มั น, นเกิดขึ้นได้ใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้ไงแต่มันอาจจะนานอาจาาจะช้าค่อยๆทําไปทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยค่ะถึงตอนนั้นเราก็คิดว่าเออทำไปเรื่อยๆค่อยๆไม่เป็นไรวันนี้พลาดพรุ่งนี้เริ่มใหม่วันนี้พลาดพรุ่งนี้เริ่มใหม่อะไรันอ๋อค่ะดังนั้นถ้าเป็น ประเภทที่จะเป็นพระโสดาบันโดยอาศัยนายะแค่ศีล5 3ข้อแรกบวกสัมมาวาจาในส่วนดื่นท่านเังดื่นได้บ้างแต่เอาให้อยู่กันละกันพูดปดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดสอนเสียงทำจริงๆได้ได้ได้มันทำได้วิธีของอาตมา ก, ก็คือพูดให้น้อยลงเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดเยอะก็จะโกหกเี่ย อาจารย์คะพูดให้น้อยลงดิฉันว่าอย่างง่ายนะคะแต่มันจะมันจะยากถ้าเรายังต้องฟังคนอื่นเพราะเวลามันฟังแล้วมันอึดอัดไม่ได้ตอบอะไรเนี่ยเคยลองมันจะมีการกันกรองพอเวลาเราตั้งใจพูดให้น้อยลงเนี่ยมันจะมีการกันกรองก่อนจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราถูกฝึกการกันกรองสิ่งที่อยู่ในใจเราก่อนจะพูดออกไปนั่นแหละมันเป็นตัวสติที่ตัวที่จะเบลกไม่ให้เราเนี่ย คิดปุ๊บทำปั๊บคิดปุ๊บพูดปั๊บป๊บปุ๊บปั๊ปั๊บ ป, บ ป, บปบไปตลอดอย่างเงี้ยใช่ไห ม, มแล้วเมื่อตรงนี้ถูกฝึกมาเรื่อยๆต่อไปเราก็พูดพอดีได้<ม>เพราะว่าเราถูกฝึกมาแล้วฝึกในใจเราแล้วเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อตรงนี้คขยกวนละแล้วก็ค่อยพูดไปอย่างเนี้ยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องคําหยาบหน่อยหนึ่งนะคะ hmm. คําหยาบในความหมายของพระพุทธองค์เนี่ยละเอียดไปหมดเลยไหมคะเพราะว่าอย่างกับสมมุติในสังคมมันมีคนในหลายหลาย กลุ่มบางคนเนี่ยกลุ่มพื้นฐานเขาเป็นชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้เรียนมากมายแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าไอ้คำที่คนเรียนหนังสือมากๆอยู่ในสังคมหรูหรารู้สึกว่าหยาบเป็นคำหยาจะตัดสินยังไงคะสําสหรับคํายาเนี่ก็ตัดสินที่ตัวตัวเจตนาและความรู้สึกนี่แหละนะว่ า, าตัวเจตนาของคนพูดคนนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดการเสียดแทงใจไม่เป็นคําฟูใจเป็นคําที่ฟังแล้วเนี่ยอืม ทำให้เขารู้สึกไม่ภัยเลาะสนอโสดหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าอันนี้เป็นคําจํากัดความคําหยาบของพระพุทธองค์นะคะใช่เป็นคําเสียดแทงใจอ่าฮะอ่าฮะเป็นคําฟูใจอ่าไม่ไม่ทำให้เกิดการฟูใจอย่างนี้ฟูใจนี่ฟังแล้วปลื้มเลยนะครับอฟังแล้วปลื้มแต่ฟังแล้วโหวไม่ปลื้มเลยมันหยาบเลยเหอะนี้มันพูดปื้มไม่ลงอย่างนี้แล้วก็เป็นคําเสียดแทงเออค่ะ เพราะนั้นบาง <osas wavelength, S 1> สังคมเนี่ยเขาพูด <revive> กัน <vaz> ม <hehe> ึงม <Different women> <ata> ึงกูก like ูก <smells lazy> ่อนจะพูดประโยชน์ต่อไปสร้างเหมือนด่าก่อนด้วยแต่ถ้าไม่ได้กินความหมายแบบนี้ใช่แปลว่านั่นไม่ได้เป็นคํามยาใช่ก็อย่างในในในในสังคมทหารอย่างนี้ใช่ไหมก็พูดคาพวกนี้เป็นปกติคือว่าหยาบค่ะก็เลยถือว่าไม่หยาบไปล่ะเพราะว่าใช้เป็นปกติแต่ถ้ารู้สึกว่าอ พูดคําสุภาพขึ้นมานะแสดงว่ารู้สึกว่าพคํยายเริ่มพูดคำหยาบแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันกลายเป็นวัฒนธรรมแล้วนะแล้วเป็นวัฒนธรรมเพราะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นสมมุติของโลกอ่่ะะคว่า้โลกเราจะสมมติอย่างนี้เป็นคําหยาบหรือเปล่านะอแต่ในอีกสังคมหนึ่งพยายามไปสมมติว่าคําสุภาพคือคําหยาบถ้านายพูดกับลูกน้องคุณผมเนี่ยเริ่มหยาบแล้วนะ แแบบว่าเผินห่างต้องเล่นงานฉันแน่เลย่จะโดนอะไรหวาวันนี้นะคะใช่ใช่ใช่ไหมค่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังแหมมีคำายาบกันได้ยังอ่าโอเคปกติปกติอยู่ที่เจตนาใช่ใช่ค่ะนะที่ฉันบางวันก็ไม่ชอบนาฬิกานะคะเพราะรู้สึกว่าอยากจะสนทนาต่อยสักนิดเช่นกับวันนี้ถึงเวลาที่จะต้อง ส่งท้ายกันด้วยพุทธวจนะขออนุญาตที่จะอ่านเรื่องความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ชมได้ฟังคพระเนื่องจากวันนี้เราพูดถึงนัยยะของการที่จะก้าวพ้นจากการเป็นบุคคลธรรมดาขึ้นเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องทีค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปทีละขัน้นดิฉันก็จึง อ, อยากที่จะให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจนะคะว่าความเป็นพระโสดาบันดีอย่างไรพวกเราจึงควรที่จะ อยากที่จะก้าวพ้นไปเป็นพระผู้ธอง์ตรัสไว้นะคะว่าภิกษุทั้งหลายแม้พระเจ้าจักรพรรดิได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีต ท, ทั้งสี่เบื้องหน้าจากการตายเพราะการแตกทําลายแห่งกายอาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับศรในสวนนันทวันเท้าวเธอเป็นผู้เอิบอิ่มเกียบร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นของทิพย์อย่างนี้ก็ตาม แต่กระนั้นเท้าเธอก็ยังรอดพ้นไปไม่ได้จากนรกจากกำเนิดเดือดฉานจากวิสัยแห่งเปรตและจากอบายทุคติวินิบาตภิกษุทั้งหลายส่วนอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้แม้เป็นผู้ยังอัตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำข้าวที่ได้มาจากบินทบาทด้วยปลีแข้งของตนเองพันกายด้วยการนุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายหากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการ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 ชนิดเป็นที่พอใจเหล่าอริยะเจ้าอันเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดา่านไม่ปร้อยดังนี้ภิกษุทั้งหลายระหว่างการได้ทวีตทั้งสี่กับการได้ทำสี่ประการนี้นั้นการได้ทวีตทั้งสี่มีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของการได้ทำสี่ประการนี้เลยทั้สี่ทวีปยังมีค่าไม่เท่ากับหนึ่งใน16บหกของการได้ ทำสีประการทุสกส่วนขอนร่างชายลองคิดออกกนแล้วกันนะคะวันนี้เราได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยจากท่านอาจารย์คริโสโตเทเโลได้เวลาที่จะมานามั ส, สการลาท่านกันแล้วค่ะ สวัสดีครับผมเด็กชายพูริเรศดำรงศี่ครับเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเซนซีเฟนครับผมได้มาที่วัดนาป่าพงเพื่อมาศึกษาพุทธวจนะครับคำจากของศาสดาพุทธศาสนาครับตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วครับเราก็ได้ศึกษามาตลอดซึ่งคำของพุทธศาคาของพระเจ้าเนี่ยเป็นคำที่เป็นอกาลิโกครับก็คือ สถานการณ์ต่ อ, าตอการวิสูตรแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครับเมื่อเมื่อเราได้เข้ามาศึกษาก็เลยศึกษามาตลอดแล้วก็รู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสมาที่วัดนี้ครับท่านผู้ชมคะ เดีฉันลืมแนะนําหนังสือไปเพราะบางท่านอาจจะเพิ่งมาได้ฟังนะคะเป็นการอ่านจากหนังสือที่ชื่อว่าพ ok um ุทธวจนะรวบรวมคําของพระศาสดาของเราแล้วก็ทำมาแล้วหลายชุดนะคะนี่เป็นหนังสือฉบับที่9คือเป็นชุดที่9เราเรียกชื่อว่าปฐมธรรมค่ะถ้าสนใจนะคะที่วัดนาป่าพงลาลูกาคลองสิท่านก็แวะมาเรายังไม่มีวางขายที่ไหนเลยที่นี่ก็ไม่ได้วางขายเช่นเดียวกันค่ะสําหรับ าการที่เราจะมีโอกาสพัฒนาจากบุคคลธรรมดาไปเป็นโสดาบันวันนี้ต้องพูดว่าใครชมที่ได้กำไรนะคะคือมีทางเลือกเยอะไปหมดเลยขอให้ท่านลองพิจารณาดูกลละกันนะคะว่าโอกาสของท่านนั้นสอดคล้องกับแบบไหนวิธีไหนแต่อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เคยพูดไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเราต้องสร้างเหตุผลจึงจะเกิดคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสนําเอาพุทธ ว, วจนะไปใช้ประสบกับความสวัสดีในชีวิตและเชิญมาพบ ก, กันใหม่ในวันต่อไปนะคะพุทธวันสวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจะนะเนี่ยมัเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดบังคัสิ่งใดขอให้สำเร็จสนุนความปรารถนาข้อเหตุแห่งการสร้างสินที่ดี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 ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากบักมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจําเป็นทั้งหลายนะก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะเพื่อปาราลบความเพียรต่อไปนะจนเข้าถึงมรรคนิพพานและขอให้ได้ดวมตายทําสมรุญรักคนิพพานกัน โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน